เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะเดินทางมาสู่หมู่บ้านโคสารนิคมหมู่บ้านนี้กำลังเกิดทุ ก, กภัยประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสวันหนึ่งท่านกลับจากบินทบาทสู่ที่พักก็พบกับชายชราร่างผอมโซและลูกน้อยนอนสลบยู่เพราะขาดอาหาร ท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลือจนฟื้นขึ้นมาวันต่อมาท่านออกไปบิณฑบาตมีชายคนหนึ่งขอนิมนต์ให้ท่านไปฉันในบ้านของท่านกับปีนะเศรษฐีพอท่านเศรษฐีได้พบพระเรวตะก็แสดงความยินดีอย่างยิ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ในบัดนี้ค่ะ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 ชายคนแรกที่ออกไปนิมนต์พระเถระเข้ามาก็นำบาตรซึ่งเต็มไปด้วยโภชนะอันปราณีตเข้ามาน้อมถวายพระเถระขอนิมนต์ท่านฉันให้เต็มที่เถิดท่านสมณะเศรษฐีใจบุญกล่าวยิ้มยิ้มรู้สึกว่าท่านคงจะหิวมากเป็นพิเศษเพราะสังเกตท่านเอ่อมารับบินทบาทที่โรงทานวันละตั้งสองรอบแต่น่าเห็นใจท่านมากที่ไม่สามารถจะฝ่าฝูงชน เข้าไปรับบินธบาตในรอบที่สองได้ข้าพเจ้าได้สืบถามคนแจกฐานแล้วเขาบอกว่าขานที่เขาใส่บาทให้ท่านในรอบแรกก็มากพอที่จะบริโภคได้อย่างอิ่มหนำสำราญสำหรับคนเดียวพระเถระไม่ตอบโต้ท่านเศรษฐีแต่อย่างใดคงคมหน้าบริโภคพัฒฐารไปเป็นปกติการที่พระเถระไม่ตอบดูเหมือนจะทําให้เศรษฐีได้ใจ ย, ยิ่งขึ้น เพราะเขาได้กล่าวเป็นธรรมนองสอนพระเถระต่อไปว่าท่านสมณะท่านเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเป็นคารวาตอ้วนจึงจะดูงามเป็นลือสีต้องผอมจึงจะดูงามใช่หรือไม่ใช่แล้วอัตมาเคยได้ยินอุบาสกพระเถระตอบท่านเข้าใจความหมายของคำกล่าวนั้นหรือไม่เศรษฐีถามเป็นการลุกต่อ ไปตามภาษาคนเข้าใจว่าตนฉลาดเข้าใจสิอุบาสกพระเถระตอบได้เสียงเรียบเรียบเป็นปกติท่านเข้าใจยังไรล่ะท่านสมณะก็หมายความว่าเป็นคฤหัส ต, ต้องร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมีค่าทาตบริวารมากๆจึงจะดูงามเป็นนักบวชจะต้องไม่มีความโลภในทรัพย์มีแต่ความสันโดษมากน้อยจึงจะดูงาม กัปปินณเศรษฐีส่งเสียงหัวเราะลั่นแล้วกล่าวว่าอ้ท่านเข้าใจถูกต้องทีเดียวท่านสมณนะแสดงว่าท่านมีความรู้ในหลักปฏิบัติของสมณะเป็นอย่างดีแต่ก็อย่างว่านั่นแหละหลักการกับการปฏิบัติของแต่ละคนอาจจะไม่ตรงกันก็ได้พระเถระรับฟังคำกล่าวเสียดสีของกัปปินณเสรษฐีด้วยอาการสงบท่านสมณนะในศาสนาของเรา มีทางปฏิบัติเพื่อโมกษะอยู่สามประการด้วยกันคือภักติมาราคะทางแห่งความพักดีเราจะต้องมีความรักเคารพ บ, บูชาไว้วางใจในเทพเจ้าอย่างแท้จริงกรรมมาราคะทางแห่งกรรมเราจะต้องกระทําการกราบไหว้วิงวอนบ่วงสวงบูชายัญแก่เทพเจ้าเราจะต้องประกอบกรรมทางาศาสนาอย่างเคร่งครัดชัยานะมาราคะทางแห่งความรู้ เราจะต้องพิจารณาให้รู้ว่าอัตมันของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิญญาณของข้าพเจ้าหรือประมาทอัตมนภักดิมรารคะเป็นทางอ้อมแต่ทุกคนสามารถจะทําได้กรรมมารคะเป็นทางสายกลางผู้มีทรัพย์เพียงพอจึงจะได้ครบถ้วนชญานะมรารคะเป็นทางตรงผู้มีปัญญามากจึงจะทําได้แต่ทางทั้งสามนั้นในที่สุด ก็นำไปสู่เทพเจ้าองค์เดียวกันนับว่าศาสนาของเราได้แบ่งแยกวิธีปฏิบัติอันเหมาะสมไว้สำหรับคนทุกชั้นในศาสนาของท่านเราท่านสมณะท่านแสดงความจงรักภักดีต่อเทพเจ้าองค์ใดดูก่อนอุบากสกศาสนาของเราเป็นอเทววาตไม่ประกาศความมีอยู่แห่งเทพเจ้าองค์ใดเราไม่ต้องแสดงความจงรักภักดีต่อเทพเจ้าองค์ใด กับปินาเศรษฐีมองดูพระเถระด้วยความโหยงนแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นาศาสนาของท่านก็ปฏิเสธความจริงอันยิ่งใหญ่คือเทพเจ้าหระสิท่านจะปฏิเสธได้อย่างไรในเมื่อหลักฐานพย า, ยานทั้งหลายได้ชี้ให้เห็นชัดว่าเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพรมมันมีอยู่อย่างน้อยที่สุดสากลจั ก, กรวาลที่เราเห็นอยู่นี้เฉพาะหน้านี้ก็เป็นผลงานของพระองค์ ถ้าไม่มีองค์พรห ม, มันโลกนี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างดูก่อนอุบาสกความจริงนั้นพระบรมศาสดาของเราไม่ได้ทรงปฏิเสธหรือทรงยอมรับความมีอยู่แห่งเทพเจ้าพระองค์เพียงแต่ดิ่งเฉยเสียไม่ได้ทรงสั่งสอนสาวกเกี่ยวกับเทพเจ้าและไม่ได้ทรงสอนพระสาวกให้จงรักภักดีในเทพเจ้าองค์ใด ทำไมพระองค์จึงไม่ส่งสอนเล่ากับปะปิณะเศรษฐีถามขึ้นทันควันก็เพราะพระองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าปัญหาเรื่องความมีอยู่ของเทพเจ้าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความบริสุทธิ์อ้าวไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างไรลึกเศรษฐีสักต่อไปอุบาสกสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจน เข็นใจไร้รัพย์ประสบความยากลำบากในการดํารงชีวิตอย่างยิ่งต่อมาวันหนึ่งมีคนมาบอกเขาว่าในส า, นากลจักรวาลมีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มีพระนาม ว, ว่าพรห ม, มันเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งปวงชายคนนั้นก็เกิดความรู้ใหม่ขึ้นและเชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็นเช่นนั้นจริงอาตมายอยากจะถามเพียงแต่ความรู้ใหม่และความเชื่อของเขานั้น จะทาให้เขากลับกลายเป็นคนมั่งมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ขึ้นมาได้หรือไม่กัปปะปินาเศรษฐีไม่ตอบคำถามของพระเถระเพียงนั่งก้มหน้าเป็นเชิงคิดอยู่ครู่ใหญ่ผ่านไปพระเถระจึงกล่าวว่าอุบาสกอาตมารู้ว่าถ้าท่านตอบท่านก็คงจะตอบว่าความรู้ใหม่และความเชื่อของชายคนนั้นไม่สามารถจะทาให้เขาร่ารวยขึ้นมา โดยปัจจุบันทันด่วนเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงกล่าวว่าความเชื่อในโลกนี้มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นภัยเพื่อความสุขแก่ผู้รู้หรือผู้เชื่ออาตมาจะยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งให้ฟังสมมุติว่ามีชายอีกคนหนึ่งเป็นคนมีจิตใจเต็มนั่นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงประกอบกรรมทางกายทางวาจาเป็นอาจินเป็นคนไม่บริสุทธิ์ ต่อมาภายหลังเขาเกิดความรู้และความเชื่อขึ้นมาว่าในโลกนี้มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ชื่อพรหมมันเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงอาตมาอยากจะถามว่าเพียงแต่ความรู้และความเชื่อนั้นจะทำให้เขาบริสุทธิ์ขึ้นได้หรือไม่อ๋อไม่ได้ทิ่ทันสมณะเศรษฐีเจ้าปัญญาตอบด้วยเสียงอ่อยๆเพราะเหตุนี้อาตมาจึงกล่าวว่าความเชื่อในเรื่องเทพเจ้า ไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แก่ผู้เชื่อและเพราะเหตุนี้เองถ้าบริมศาสดาของเราจึงไม่ได้ทรงสั่งสอนเรื่องเทพเจ้าไม่ได้สอนให้สาวกของพระองค์มีความจงรักภั ก, ภกดีกลาบไหวบิงวอนต่อเทพเจ้าองค์ใดกลับปะปินนเศรษฐีนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงที่เบาลงกว่าเดิมว่าถ้าอย่างนั้นพระาศาสดาของท่านสอนเรื่องอะไรลึก ดูก่อนอุบาสกก่อนที่จะตอบปัญหาของท่านอันตามาจะขอถามท่านเสียก่อนว่าสมมติว่ามีชายคนหนึ่งถูกฆ่าศึกยิงด้วยลูกศรถูกลูกศรเสียบอยู่ที่อกนอนเจ็บอยู่ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสงานจินแรกที่เขาพึงจะกระทํำก็คืออะไรท่านผู้เจริญเสฐีเรียกพระเทระด้วยคําแสดงความเคารพเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าก็คิดว่า เขาควรจะรีบถอนลูกศร อ, ออกจากตัวโดยมิชักช้าและก็รีบรักษาเยียวยาบาดแผลให้หายโดยเร็วอุบาสกเอ๋ยคำตอบของท่านถูกต้องตามเหตุการณ์ที่ดีควรจะเป็นอย่างแท้จริงถูกแล้วชายคนนั้นควรจะรีบถอนลูกศร อ, ออกและรักษาบาดแผลในทันทีอัตมาอยากจะขอสมมติถามท่านต่อไปอีกสมมุติว่าในขณะที่ชายคนนั้นกําลังถูกลูกศร เสียบอกนอนคนคลางอยู่นั้นมีชายสองคนมาพบเข้าคนหนึ่งแนะนาเขาว่าท่านอย่าเพิ่งถอนลูกศร อ, ออกให้มันเสียบอกท่านอยู่อย่างนี้แหละท่านควรจะสืบดูให้รู้ท่องแท้ก่อนว่าลูกศร น, นี้กว้างยาวเท่าไรทาด้วยอะไรใครเป็นคนยิงยิงมาจากไหนเมื่อใดและโดยวิธีใดเมื่อทราบแล้วจึงค่อยถอนลูกศร อ, ออกและรักษาแผลภายหลังส่วนชายอีกคนหนึ่ง แนะนำว่าท่านควรจะดีบถอนลูกศร อ, ออกทันทีแล้วรีบรักษาพยาบาลบาดแผลอย่าได้ชักช้าเมื่อบาดแผลหายสบายดีแล้วอยากจะทราบเกี่ยวกับลูกศรและคนยิงศรก็ควรทำการสืบสวนในภายหลังดูก่อนอุบาสกได้บรรดาชายผู้ให้คำแนะนำทั้งสองนี้ท่านเห็นว่าคำแนะนำของใครควรฟังถูกต้องและควรปฏิบัติตามมากกว่า อ๋อก็คําแนะนำของชายคนที่สองละสิท่านผู้เจริญดูก่อนอุบาสกบุรุษคนที่สองนั่นแหละคือพระบรมศาสดาของเราพระบรมศาสดาของเราสอนให้สาวกของพระองค์รีบถอนลูกศร อ, ออกเสียแล้วรีบรักษาบาดแผลอย่างรีบเร่งอะไรเล่าคือลูกศรที่พระศาสดาของท่านสอนให้รีบถอนออก ลูกสอนที่เสียบอกมนุษย์ทุกคนอยู่เวลานี้ก็คือความทุกข์มีประการต่างๆพระบรมศาสดากของเราจึงทรงสอนแต่เรื่องทุกข์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความดับทุกข์และทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์พระองค์ทรงสอนเพียงสี่อย่างนี้เท่านั้นอ้น่าสนใจมากท่านพูดเจเริญเศรษฐีใจบุญกล่าวขึ้นน่าสนใจมากข้าพระเจ้าอยากจะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคาสอน ของพระศาสดาของท่านต่อไปแต่บังเอิญวันนี้ข้าพเจ้าจำต้องไปธุระสำคัญบางอย่างจึงขอยุติการสนทนาไว้ก่อนวันพรุ่งนี้นิมนต์ท่านมาฉันพัตหารในเครือหัาของข้าพเจ้าอีกพระเถระรับนิมนต์ด้วยการนิ่งตามแบบอริยวงกล่าวอนุโมทนาแล้วก็กลับคืนสู่บ้านพักเป็นเวลาสายมากแล้ว ก่อนจะถึงบ้านพักท่านได้ยินเสียงลูกน้อยของกัจจยนะกําลังส่งเสียงร้องไห้ลั่นเมื่อท่านเข้าไปสืบถามดูจึงทราบว่ากัจจายนะยังไม่ได้บริโภคบิณฑบาต ท, ที่ท่านนํามาให้ตั้งแต่เช้าเพราะเชื่อว่าพระเถระจะไม่สามารถฝ่าฝูนชนเข้าไปรับบิณฑบาตเป็นครั้งที่สองได้คงจะกลับมาด้วยบาทเปล่าตามเคยเขาจึงตัดสินใจจะยอมอดพร้อมทั้งลูก เจ็บบินธบาตินั้นไว้ถวายพระเถระทําให้พระเถระรู้สึกซาบซึง้งในน้ําใจอันดีงามของเขาอย่างยิ่งพระเถระบอกให้กัจจายนะบริโภคบินธบาตินั้นพร้อมทั้งรูปน้อยแต่เขาก็ไม่ยอมบริโภคแม้พระเถระจะบอกว่าท่านบริโภคมาจากบ้านเศรษฐีเรียบร้อยแล้วก็ตามอาตมาบริโภคมาจากบ้านกปะปะบินาเศรษฐีแล้วจริงๆ พระเถระยืนยันชักชวนท่านก็เห็นแล้วว่าอาตมากลับมาสายผิดปกติเพราะมัวสนทนาธรรมกับท่านเศรษฐีวันพรุ่งนี้เขายังนิมนต์ให้อาตมาไปฉันที่บ้านเขาอีกขอเชิญท่านกับบุตรชายบริโภคให้อิ่มหนำเถิดหลังจากพระเถระรบเร้าอยู่เป็นเวลานานกัจจายนะกับบุตรจึงยอมบริโภคอาหารนั้นเออท่านสมณะกัจจยนะกล่าวขึ้น หลังจากบริโภคเสร็จแล้วข้าพเจ้ารู้สึกสบายขึ้นมากท่านจะสังเกตเห็นว่าเท้าของข้าพเจ้าเริ่มจะหายบวมแล้วคิดว่าอีกสองวันก็คงจะหายเป็นปกติพอจะเดินได้ถ้าเดินได้เมื่อใดข้าพเจ้ากับลูกก็จะไปรับฐานด้วยตนเองเราจะรับเอามาสองส่วนส่วนหนึ่งสำหรับท่านส่วนหนึ่งสำหรับเราเมื่อนั้นแหละท่านจะได้ไม่ต้องไปบินธบาตให้ลำบากอีก เราจะนาอาหารมาถวายท่านทุกๆวันจนกว่าเราจะจากกันท่านผู้มีพระคุณต่อเรามากมายนักขอให้กบเจา้าได้สนองบุญคุณท่านบางเถอะพระเถระนึกชมเชยน้ำใจของชายผู้ตกยากและตอบว่าขออนุโมทนาท่านด้วยอุบาสกแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงอัตมาดกแม้ท่านจะหายป่วยเดินได้ อาตมาก็คงต้องไปบินทบาทอยู่ตามเดิมเพระาะธรรมเนียมของพระภิสุ์ในพระพุทธศาสนาจะต้องเลี้ยมขีดด้วยการบินทบาทการบินทบาทไม่ใช่การไปรับเอาอาหารจากชาวบ้านอย่างเดียวแต่เป็นการกระทำหน้าที่ของอนาคาริกะด้วยขอให้อาตมาได้ทำหน้าที่ของตนเป็นปกติเถิดกัจยานะอามูลูบตามแข้งตามขาของตนตาเขาจ้องดูพรเะเถระ ด้วยความเคารพนับถือแล้วกล่าวว่าอ๋อท่านสมณะถ้าคนในโลกนี้ทุกคนมีน้ำใจอันประเสริฐอย่างท่านและอย่างกับปะปิณสะเสฐีโลกนี้ก็คงจะสงบสุขน่าอยู่มากกว่านี้แต่เท่าที่ข้าพเจ้าเห็นมาคนส่วนมากล้ว น, นเห็นแก่ตัวจัดคิดกอบโกยหาประโยชน์แก่ส่วนตนอย่างเดียวไม่คํานึงถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ ที่หมู่บ้านของกพเจ้ามีพราหมาหาศารคนหนึ่งเป็นนายบ้านเขามีที่นามากมายมีแม่โคนมเป็นจานวนร้อยมีคาถาบริวารมากมายคอยทำการทำงานและรับใช้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายแต่แม้กระนั้นเขาก็ยังไม่พอยังอยากได้มากๆยิ่งขึ้นไปอีกเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะใช้อำนาจบังคับขู่เข็น ซื้อเอาที่นาของชาวบ้านเมื่อชาวบ้านทนการบีบคั้นไม่ไหวเขาก็จําเป็นต้องขายนาให้เขาในราคาถูกแล้วก็อพยพไปอยู่ที่อื่นในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะอดอยากนี้แทนที่เขาคิดจะหาทางช่วยเหลือประชาชนผู้อดอยากเขากลับช่วยเอาโอกาสนี้หาประโยชน์ให้แก่ตนโดยเอาข้าวแลกเอาที่นาของชาวบ้าน ชาวบ้านที่จะอดตายอยู่แล้วจำเป็นต้องยอมบางคนที่ไม่มีที่นาถึงกับยอมตัวลงเป็นทาสของเขาเพื่อแหลกข้าวกินพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลานี้ชาวบ้านของข้าพเจ้าส่วนมากได้กลายเป็นทาสของมัณติยะพราหมณ์ผู้ทาลุนไปหมดสิ้นแล้วที่ไม่ยอมเป็นทาสก็จำเป็นต้องขายที่นาให้เขาในราคาถูกแล้วก็อบพยศหนีไปอยู่ที่อื่น อย่างข้าพเจ้านี้เป็นตน้นกัจัยนะกล่าวประโยคท้ายๆด้วยเสียงเศร้าๆคำพูดขาดเป็นห่วงๆพระเถระรู้สึกสงสารเห็นใจเขาเป็นอันมากขณะที่กำลังนั่งคิดอยู่นั้นความคิดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นในใจของท่านความคิดอันนี้เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในอดีตของท่านท่านยังจาได้ว่าคราวหนึ่งขณะที่กาลังเดินทางจากกรุงสาวัตถี ไปสู่กรุงราชครื้ท่านได้หยุดพักผ่อนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีนายบ้านผู้ทารุลโหดร้ายเบียดเบียนชาวบ้านเช่นเดียวกับมันติยพาพลางนี้และท่านก็ได้ใช้กุศโลบายอัญชานฉลาดทรมานนายบ้านคนนั้นทําให้หายพยศได้ในที่สุดถ้าท่าน น, นํานโยบายอันนั้นมาใช้กับนายบ้านคนนี้บางทีอาจจะได้ผลและอาจเป็นเหตุนําความสงบสุขมาให้แก่ชาวบ้าน ห่งนี้บ้างก็ได้แต่แน่นอนการกระทําเช่นนั้นย่อมจะเป็นการถ่วงเวลาของท่านไม่ให้เดินทางไปถึงกรุงพารณาณสีได้เร็วเท่าที่ควรหลังจากคิดอยู่เป็นเวลานานระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมพระเถระก็ตัดสินใจที่จะช่วยประชาชนผู้กําลังประสบทุกข์ท่านคิดว่าคงจะไม่เป็นการเสียเวลามากนะักเพราะหมู่บ้านนั้น ก็อยู่ในระยะทางที่ท่านจะต้องผ่านอยู่แล้วเพียงแต่เดินทางผ่านไปและแวะพักสักสองสาวันก็คงจะได้ผลอุบาศกหมูบ่บ้านของท่านชื่ออะไรลึกอ๋อชื่อเพระวะคามท่านสมณะท่านถามทําไมลึกบางทีอาตมาอาจจะมีโอกาสผ่านหมู่บ้านเพระวะคามเพราะอาตมากําลังเดินทางไปกรุงพระนสีพระเถระตอบ ท่านจะไปในระยะนี้คงไม่ได้นะท่านสมณะกัจจายนะคัดค้านขึ้นเพราะว่าหมู่บ้านของเราอยู่ไกลจากที่นี่มากถ้าเดินทางไปอย่างธรรมดาไม่รีบร้อนนักก็จะต้องใช้เวลาถึงสามวันและในระหว่างทางก็ไม่มีหมู่บ้านที่มีคนอยู่อาศัยเลยเพราะเราอพยพบหนีความอดอยากไปหมดท่านจะไม่มีที่พึ่งพาอาศัยบินทบาทเลย ท่านจะต้องอดตายแน่ๆเยื่อข้าพเจ้าเถอะพระเถระนั่งคิดทบทวนคําแนะนําด้วยความหวังดีของกัจจายนะอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะมีทางใดบ้างอาตมาจะไปถึงบูบ้านเพราวาคําได้ในระยะนี้กัจจยนะนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่ามีทางเดียวเท่านั้นแหละท่านสมณนะคือเมื่อเดินทางตรงไม่ได้ ท่านก็ควรจะเดินทางอ้อมจากนี่ไปท่านจะต้องเดินทางวกขึ้นไปทางทิศเหนือสู่เมืองอนุโกละก่อนเมืองนี้อยู่ห่างจากที่นี่ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณเจดโยน์จากเมืองอนุโกละท่านจะต้องเดินทางไปทางเมืองมหาโกละซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอนุโกละประมาณสองโยต์จากเมืองมหาโกละท่านก็ต้องเดินไปยังเมือง สตตโคทะซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณสี่โยต์จากเมืองสัตตะโคทะท่านก็เดินมุ่งหน้าสู่ทิศใต้เป็นระยะทางประมาณสองโยต์ก็จะถึงหมู่บ้านเพระวะของเราข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าเมืองต่างๆทางทิศเหนือที่กล่าวมานี้ไม่ได้ประสบชก้กกตภัยแต่อย่างใดท่านจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยอาหารบินทบาทเลย แต่ข้าพเจ้าสงสัยว่าท่านจะไปบูบ้านของเราทําไมลึข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอดตายเสียเปล่าๆเพราะมันติยพาพราหมณ์ในบ้านเป็นคนมิจฉาทิฐิไม่เคารพ บ, บูช า, าศาสดาองค์ใดทั้งสิน้นไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สมณะพราหมณ์เป็นคนตรหนีทีเหนียวอย่างที่สุดก็เพราะเหตุนี้ล่ะสิอาตมาจึงอยากจะไปสู่บู่บ้านเพรลวะคามคําตอบของพระเถระ ทำให้กัจจายนะงงงันยิ่งนักเพราะเขาไม่เข้าใจเจตนาของพระเถระเมื่อเห็นเขาทำท่าโฉนสนเทพระเถระจึงพูดว่าอัตมาจะไปทำให้มันทิยะพรามมีสมารถทิฐิและยุติธารุนกรรมทั้งหลายของเขาท่านจะทำอย่างไรหรือท่านสมณะกัจจายนะถามอย่างคลางแคลงใจพลางสังทิสะไปมาชา้ชาช้าอัตมาเองก็ยังไม่ทราบ แต่กว่าจะเดินทางไปถึงเพระวะคามอัตมาคงคิดอุบายที่จะจัดการกับเขาได้อ้อขอให้ความสำเร็จจงเป็นของท่านเถอะกัจจัยนะกล่าวแล้วก็ล้มตัวลงนอนเช้าวันรุ่งขึ้นพระเถระก็คงไปยืนที่หน้าโรงทานแต่เช้าอีกเมื่อรับทานแล้วก็นำกลับไปเทให้สองพ่อลูกตามเดิมการกระทำของท่านยังความประหลาดใจให้เกิดแก่ กับปปิณะเศรษฐีอย่างยิ่งเขาไม่เข้าใจว่าทําไมพระภิกษุรูปนี้จึงยังมารับปินทบาตและนํากลับไปยังที่พักอีกทั้งๆ ท, ที่ได้รับนิ ม, มนต์ให้มาฉันพัฒหารที่คระลือหัดแล้วเพื่อจะแก้ความสงสัยข้อนี้กับปัปิณะเสรษฐีจึงให้ลูกน้องคนหนึ่งเดินตามพระเธระไปห่างๆกําชับให้ไปสืบดูให้รู้แน่ว่าท่านพักอยู่ที่ไหนมีอะไรอยู่ที่นั่น แล้วให้กลับมารายงานให้เศรษฐีทราบลูกน้องของเศรษฐีเดินตามพระเถระมาจุเห็นท่านหายเข้าไปในบ้านพักอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็อุมบาทกลับออกมาเขาได้แอบหลบไปบังตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งปล่อยให้พระเถระเดินกลับมาอย่างเครือหาดแล้วจึงตรงไปยังบ้านพักของท่านเขาค่อยๆย่องไปที่บ้านพักหลังนั้นแล้วก็โปรสิษะเข้าไปดูข้างในภาพชายอายุกลางคนกับลูกน้อย กำลังบริโภคอาหารอยู่อย่างอร็ณอร่อยซึ่งเขาเห็นเฉพาะหน้าทำให้เขาทราบเหตุผลได้อย่างแจ่มชัดแจ่มแจ้งทันทีว่าทำไมพระเถระจึงไปรับบิณฑบาตสองเที่ยวทุกวันท่านเป็นใครมาจากไหนลูกน้องเศรษฐีถามสองพ่อลูกข้าพเจ้าเป็นคนยากจนเข็นใจมาจากหมู่บ้านเพราะวะคามกัจจัยนะตอบหน้าตืนเน ท่านได้อาหารนี้มาจากไหนหรือลูกน้องเศรษฐีถามต่อไปก็พระพิสุรูปนั้นนำมาให้ข้าพเจ้าแล้วสิทำไมท่านไม่ไปรับทานเองที่โรงทานข้าพเจ้าขาเจ็บจากการเดินทางไกลจนเดินไม่ได้แต่เวลานี้ก็เกือบจะหายแล้วอีกสองวันก็คงจะหายเป็นปกติแล้วข้าพเจ้ากับลูกก็จะไปรับทานที่โรงทานเองพระพิสุรูปนั้นเป็นอะไรครับท่าน ไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกเมื่อข้าพเจ้ามาถึงที่นี่วันแรกก็พบว่าท่านพักอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าทุกประการเมื่อทราบความจริงทุกประการแล้วลูกน้องของเศรษฐีก็นําเอาเรื่องราวทั้งหมดกลับไปยังครือหาดขณะนั้นท่านเศรษฐีกําลังสนทนากับพระเถระอยู่พอดีเมื่อเห็นลูกน้องกลับไปเศรษฐีกับปินะก็รีบลุกขึ้นมาฟังรายงาน พอได้ทราบความจริงเท่านั้นเศรษฐีผู้ใจบุญถึงกับยืนนิ่งอึง้งพูดไม่ออกเขาเพิ่งจะทราบความเมตตาของพระเถระในคราวนี้ในเวลาเดียวกันเขาก็ยังนึกเสียใจที่ตนเองได้กล่าวกระทบกระเทียบเสียดสีพระเถระโดยไม่ได้สืบถามเรื่องราวให้ละเอียดท่องแท้สัก่อนท่านเศรษฐีรีบกลับไปหาพระเถระนั่งลงกราบแทบเท้าของท่านแล้วกล่าวด ล, ล่ํา ล, ลักษณ์ว่า ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเพิ่งจะทราบจากคนของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เองว่าทำไมท่านจึงรับบินทบาทวันละสองเที่ยวข้าพเจ้าทราบชัดแล้วว่าการบินทบาทสองเที่ยวของท่านแทนที่จะเป็นการกระทําด้วยความโลภและเห็นแก่ตัวกลับเป็นการกระทําด้วยความเมตตากรุณาสงสารช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกยากนับว่าท่านเป็นผู้มีใจอันประเสริฐยิ่งกว่าข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้า ก็ทาําทานคราวนี้โดยที่ตนเองไม่ลําบากเลยแต่ท่านต้องทําด้วยความยากลาบากถึงกับตนเองยอมอดอาหารข้าพเจ้าขอโทษท่านที่ได้ตรงเกินท่านด้วยวาจาในวันก่อนพระเถระได้ให้อภัยแก่เขาและเทศนาเรื่องอริยสัจสี่ให้เขาฟังจนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและก็อําลา เพื่อจะเดินทางต่อไปการทรงเคาะมนุษย์ผู้ตกยากด้วยจิตเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์ของพระเถระครั้งนี้นับว่าก่อให้เกิดผลดีหลายประการคือประการแรกทำให้กับปินณเศรษฐีกลายเป็นอุบาสก ในพระพุทธศาสนาประการที่สองเศรษฐีได้เกิดความเมตตากรุณาต่อ ก, กัจจายนะและบุตรน้อยของเขาถึงขนาดมอบเงินให้เขาก้อนหนึ่งเพื่อนำไปไถ่เอาที่นาคืนจากมัณติยพรามประการที่สกับปินะเศรษฐีได้มอบเกวียนเล่มหนึ่งพร้อมด้วยวัวคู่หนึ่งให้แก่กัจจายนะเพื่อบรรทุกเอาสเสบียงสัมภาระพาลิวตะเถระเดินทางสู่หมู่บ้าน เพระวะคามเป็นอันว่าพระเถระไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปสู่หมู่บ้านเพระวะคามโดยทางอ้อมต่อไปแต่จะเดินทางตรงเลยทีเดียวเพราะสเสบียงที่กับปินณเสษฐีมอบให้นั้นมากพอที่จะเลี้ยงคนสามคนไปได้เป็นเวล า, านานทีเดียวพระเถระได้อนุโมทนาในกุศลกรรมของเศรษฐีและก็อำลาออกเดินทางพร้อมกับกัจจายนะ และบุตรของเขาต่อไปในตอนบ่ายของวันที่สพระเถระพร้อมทั้งกัจจยณนะและบุตรน้อยก็มาถึงหมู่บ้านเพทราวคามซึ่งบัดนี้ใกล้เป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วยังเหลืออยู่แต่เครือหาดของมันติยพรามเท่านั้น ที่ยังมีคนอยู่คับข้างแต่คนส่วนมากที่อยู่ในภายในบริเวณเครือข่ายของเขาก็คือบรรดาเจ้าบ้านที่จําต้องตกเป็นทาสของเขานั่นเองเฉพาะครอบครัวของมันติยาพราหมงเองประกอบไปด้วยทิดาสาวคนหนึ่งบุตรชายคนหนึ่งและภริยาเท่านั้นนอกจากนี้ก็มีคนใช้สนิทเก่าแก่อีกประมาณสิบคนซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของเขาได้รับมอบหมายให้ทํางานต่างๆ เช่นการควบคุมบรรดาพวกทาตกรรมกรเป็นต้นเพราะกัจจัยนะไปถึงพร้อมด้วยเกวียนคู่ชีพมันติยพรามก็ใช้อำนาจบาดใหญ่สั่งคนมายึดอวัวเกวียนและเสบเียงอาหารทั้งหมดนำเข้าสู่บริเวณคลือหัดของเขาเขาเชื่อว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะได้กัจจยนะพร้อมทั้งลูกไปเป็นทาตเพราะเมื่อกัจจยนะอดอาหารจนหิวเต็มที่แล้วเขาก็จะนาตัวไปมอบหมาย ให้เองพระเถระปรึกษากับกจัจจยนะอยู่นานจึงตกลงกันว่าให้กจัจจยนะพาบุตรไปมอบตัวเป็นทาสแก่มัณติยะในวันที่ถูกยึดเวียนนั้นเสียเลยส่วนพระเถระจะอาศัยอยู่ที่เรือนว่างหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านนั้นเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วกจัจจยนะก็พาลูกน้อยจากไปมอบตัวเป็นทาสกับมัณติยะพราหมณ์ผู้ถาดุน เนื่องจากที่เปรละวะคามไม่มีโรงทานเหมือนที่โคสาลนิคมของกัปปินาเศรษฐีตอนเช้าพระเถระจึงไปยืนรับบิณฑบาต ท, ที่ประตูคฤหัส์ของมัทียพราหมณ์เป็นประจำกจัยณะและทาาดคนอื่นๆบางคนที่มีใจเป็นกุศลได้นำอาหารเล็กๆ น, น้อยๆจากส่วนแบ่งประจำวันของตนมาใส่บาตรแก่พระเถระมัณยพราหมณ์ ได้จ้องดูการกระทําของทาตผู้ใจบุญเหล่านั้นด้วยความไม่พอใจเพราะตามปกติเขาเป็นคนเตน็นีไม่เคยทําบุญให้ทานและไม่ชอบหน้านักบวชในศาสนาใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งหลังจากใส่บาศเสร็จแล้วกัจจยนะได้ถูกมัณติยพรามเรียกตัวไปหาเพื่อสอบถามเขากล่าวขึ้นด้วยใบหน้าทมึงตึงว่ามัติยสมณะรุนคนนั้นเป็นใครมาจากไหน เออขาดแต่นายกัจยานะตอบท่านเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนากำลังจะเดินทางไปกรุงพาราสีพบกับข้าพเจ้าในระหว่างทางข้าพเจ้าก็เลยให้ท่านอาศัยเดินทางมาด้วยท่านพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วก็จะเดินทางต่อไปข้าไม่อยากให้เขาอยู่ในหมู่บ้านของข้ามันติยะพูดด้วยเสียงเครียดใบหน้ามึนตึงน่ากลัวเพราะข้าไม่ชอบนักบวช พวกนี้ไม่ทำมาหากินเลี้ยงชีพอะไรเอาแต่ขอคนอื่นเลี้ยงชีพข้าจะขอห้ามแกและทุกคนในบ้านของข้าไม่ให้เอาอาหารใส่บาตรให้แก่พิกษุรูปนั้นเข้าใจไหมใบหน้าของกจัจจยนะสลดลงทันทีเพราะเขาทราบดีว่ามัณติยะเป็นคนเอาจริงออกจังต่อคำพูดถ้าใครฝ่าฝืนคำสั่งของเขาก็มักจะได้รับโทษอย่างหนักเขาวิตกต่อไปว่า ถ้าเขาไม่ได้ใส่บาทแก่พระเถระท่านจะเอาพัตหานที่ไหนมาบริโภคข้าแต่นายข้าพเจ้าเชื่อว่าภิกษุรูปนั้นคงจะอยู่ที่นี่ไม่นานนักเนื่องจากเราเดินทางร่วมกันมานานเคยได้อาศัยกันข้าพเจ้าขออนุญาตถวายพัตหานแก่ท่านวันละเล็กวันละน้อยพ่อประทังชีวิตด้วยเถิดคงไม่เป็นการสิ้นเปลืองแก่ท่านแต่อย่างใดเพราะว่าข้าพเจ้าแบ่งถวายท่าน จากส่วนแบ่งของขพเจ้าเองไม่ได้ปัญติยะพูดอย่างเทียบขาดถึงจะแบ่งจากส่วนแบ่งของแกมันก็ไปจากทรัพย์สมบัติของข้านั่นเองในยามข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ข้าไม่อยากให้มีการสิ้นเปลืองทำคุณแก่คนจรนจัดประเภทนี้ไม่มีผลตอบแทนอะไรหรอกตั้งแต่วันนี้ต่อไปห้ามแกใส่บาตรแกเขาเป็นอันขาดพูดแล้วเขาก็เดินปังังเข้าห้องไป คืนวันนั้นเองในตอนดึกสงัดกักจจัยนะก็หลบหลีกเล็ดลอดออกมาพบกับพระเถระและแจ้งข่าวราย ง, งานให้ท่านทราบด้วยความวิตกกังวลยิ่งพระเถระนั่งตึกตองอยู่เป็นเวลานานแล้วก็พูดขึ้นว่าอุบาสกเพลยเพียงเท่านี้อัตมาก็ทราบแล้วว่ามันติยะเป็นคนใจบาปหยากช้าจริงดังที่ท่านเคยเล่าให้ตมาฟังแล้วแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังยังมีช่องทาง ที่เราจะช่วยกันแก้ไขเขาต่อไปเท่าที่อาตมาฟังจากคำบอกเล่าของท่านรู้สึกว่าเขาเป็นคนเตหนีจจัดไม่ยอมเสียสิ่งใดแก่ใครโดยไม่มีผลตอบแทนในขณะเดียวกันเขาเป็นคนละโมกจัดถ้าเมื่อมีราบผลที่จะได้แล้วเขาจะยอมทำทุกอย่างแม้จะเป็นทางโหดร้ายทารุณเบียดเบียนคนอื่นก็ตามอาตมาคิดว่าถ้าเขาจะได้ลาผลจากคนที่เขาแสนจะเกลียด เขาก็คงจะยอมคบค้าสมาคมกับคนที่เขาเกลียดนั้นเวลานี้เขาเกลียดอาตมาเพราะอาตมาเป็นสมณะซึ่งไร้ประโยชน์ในสายตาของเขาเขาจึงห้ามท่านไม่ให้ถวายพัะตาหารแก่อาตมาเพื่อให้อาตมาหนีไปเสียจากที่นี่แต่ถ้าเชื่อแน่ว่าเขาจะได้ประโยชน์เป็นทรัพย์สินจากอาตมาเขาก็คงจะยินดีต้อนรับอาตมาอย่าง ก, กันนั้นเลยอุบาสกเ อ, อ้ย อาตมาจำเป็นจะต้องใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบงเสียแล้วแต่จะต้องขอความร่วมมือจากท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรหรือท่านสมณะกะจัจยานะถามแต่บางทีการช่วยเหลือของท่านก็เป็นการเสี่ยงอยู่บ้างดีไม่ดีท่านอาจจะถูกลงโทษพระเถระพูดเป็นเชิงปารัและเป็นการอย่างดูสัทธาของกจัจยานะเออท่านสมณะ ข้าพเจ้ามีชีวิตหลอดมาได้จนป่านนี้ก็เพราะแดงอาศัยการช่วยเหลือของท่านถ้ามิฉะนั้นแล้วป่านนี้ข้าพเจ้าก็คงตายไปแล้วข้าพเจ้ายังเป็นหนี้บุญคุณของท่านอยู่มีอะไรที่ข้าพเจ้าพอจะช่วยได้กรลุณาบอกมาเลยข้าพเจ้ายินดีสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสนองบุญคุณของท่านขอบใจมากอุบาสกพระเถระกล่าวพลางยิ้มด้วยความพอใจ ต่อศรัทธาอันมั่นคงของกจัจจายนะท่านก็ทราบแล้ววิ่ใช่หรือว่าอาตมาได้ช่วยชีวิตท่านไว้เป็นประการแรกและยังช่วยให้ท่านได้เกวียนหนึ่งเล่มวัวหนึ่งคู่และสเสบียงอาหารอีกมากมายซึ่งถูกมัณฑยพรามยึดเอาไปแล้วอ้อาวข้าพเจ้าทราบแล้วละท่านสมณนะถ้าอย่างนั้นท่านก็เชื่อแล้วสิว่าอาตมามีอํานาจสามารถที่จะให้ทรัพย์สมบัติแก่ท่านได้ถ้าอาตมาอยู่ที่นี่ต่อไป อตาตมาจะให้สมบัติแก่ท่านมากกว่านี้และจะให้สมบัติอันมหาศาลแก่มันตรยะพราหมุด้วยฉะนั้นวันพรุ่งนี้เมื่ออตาตมาไปบินธบาตอีกขอให้ท่านใส่บาตรแก่อาตมาตามเคยเมื่อมันติยะพราม์เรียกท่านไปสอบถามขอให้บอกความจริงเหล่านี้แก่เขาท่านพอจะทําได้หรือไม่อ๋อได้สิท่านสมณนะข้าพเจ้าจะทําตามที่ท่านแนะนํา กัจจยนะให้คำรับรองแล้วก็อําลากลับเข้ากลือหาดของมันติยพราหมณ์เช้าวันรุ่งขึ้นพระเถระก็คงไปบิณฑบาตตามปกติและกัจจยนะก็คงออกมาใส่บาตรแก่พระเถระตามปกติหลังจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปดังคาดหมายกัจจยนะได้ถูกเรียกตัวไปทันที มันติยพรามณ์จ้องหน้ามองเขาด้วยตาอันแดงกล่ำด้วยความโกรธปากคอมือไม้สัน่นกัดฟันขบกรามแน่นไอ้ทาสชาต ช, ชั่วเขาคำรามออกมาข้าสั่งแก่แล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้ใส่บาทแกสมาโรล้นองนั้นทำไมแกถึงบังอาจฝ่าฝืนคำสั่งของข้าข้าจะลงโทษแกอย่างหนักให้สาสมกับความผิดโอ้ข้าแต น, นายกัจจยนะพูด ขึ้นด้วยท่าทางเป็นปกติด้วยความมั่นใจต่อคําสั่งของพระเถระข้าพเจ้ายินดีที่จะได้รับโทษทันทุกอย่างที่ท่านจะให้แก่ข้าพเจ้าแต่จะให้ข้าพเจ้างดถวายพัตฐารแก่สมณะิเศษผู้นั้นข้าพเจ้าทำไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพสามารถจะดนบันดาลอะไรให้แก่ใครก็ได้ข้าพเจ้าประสบทุกแทบจะตายยังสามารถรอดชีวิตมาได้ ก็เพราะอำนาจของท่านข้าพเจ้าได้เกวียนเล่มนึงบัวสองตัวและเสบียงอาหารสําหรับเออข้ามทินกันดารก็เพราะดทิ์ของท่านคําตอบของกจัจจยนะได้ผลอย่างชิงัดเพราะมันตยะไม่ได้โต้ตอบแต่อย่างใดเขายืนจ้องดูกจัจจยนะด้วยสายตาอ่อนโยนลงครู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงเดินเข้ามาใกล้กจัจจายนะและถามด้วยเสียงเรียบๆว่าจริงหรืกรจัจจยนะ ภิกษุรูปนั้นมีฤทธิ์จริงๆหรืออ๋มีจริงๆสินายกัจจายนะยืนยันท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าได้วัวได้เกวียนมาจริงๆสมบัติอันมีค่ามากเช่นนั้นฐานะของข้าพเจ้าจะหาได้เองที่ไหนละ่ะข้าพเจ้าขอรับรองว่าพระภิกษุองค์นั้นบันดาลให้แก่ข้าพเจ้าจริงๆถ้าท่านอยู่ที่นี่ต่อไป ข้าพเจ้าก็อาจจะได้ทรัพย์สมบัติอันมีค่าต่างๆอีกมากมายก็ได้แม้แต่ท่านเองก็อาจจะได้ด้วยพอได้ยินคําว่าได้เท่านั้นเองมัตยะก็ตาลุกโปลงเพราะในชีวิตของเขามีแต่คําว่าได้ไม่มีคําว่าเสียหลักฐานพยานที่กัจจายนะเล่าให้ฟังนับว่ามีเหตุผลควรจะเชื่อได้อีกประการหนึ่งเขาก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่า มีนักพรตบางองค์ที่ปฏิบัติทางจิตจนสามารถมีอิทธิปาฏิหาริย์สามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆได้แม้เขาจะไม่เคยประสบด้วยตนเองและไม่ปรงใจเชื่อสนิทนักก็ยังไม่อาจปฏิเสธเสียทีเดียวอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะลองดูเพราะไม่เป็นการเสียหายอะไรถ้าพระภิกษุรูปนี้มีฤึทธานุภาพจริงเขาก็ได้ทรัพย์สมบัติร่ำรวยยิ่งขึ้น แต่ถ้าเขาไม่มีริดก็ไม่เสียหายอะไรไล่ไปเสียให้พ้นจากมู่บ้านก็สิ้นเรื่องเมื่อรู้ทางได้ทางเสียเรียบร้อยแล้วมัณฑยพรามผู้เห็นกก่ได้ก็ตัดสินใจจะลองคบกับภิกษุพนิจรรูปนี้ลองดูเออเอาละกัจจยนะเขาพูดเบาๆข้าจะลองเชื่อแกดูสักครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เช้าถ้าภิกษุรูปนั้นมาบินบาีอีกให้แกนิมนต์ท่าน มาพบกับข้าด้วยนะเช้าวันรุ่ขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปบิณฑบาตกจัจจายนะก็นิ ม, มนต์ท่านเข้าไปฉันพัะตาหารภายในเครือหัดของพ ร, ราหมณ์มัติยะตามคำสั่งขณะที่พระเถระ เดินเข้าไปในห้องด้วยอาการอันสํารวมนั้นมัณติยพราหมณ์ก็จ้องดูด้วยความสนใจเป็นพิเศษเขานิมนต์ให้พระเถระนั่งลงบนอาสนะที่จัดไว้แล้วตนเองก็นั่งลงบนอาสนะใกล้ๆกันเมื่อมีคนนําพัตถารมาถวายแล้วพระเถระก็ลงมือฉันโดยไม่ได้พูดจาอะไรฝ่ายมัณติยะก็นั่งจ้องดูพระเถระด้วยท่าทางตื่นตื่นเล็กน้อยเพราะความไม่คุ้นเคยกับสมณนะ ทั้งสองฝ่ายนั่งอยู่ในความเงียบเป็นเวลานานมันติยะจึงรวบรวมความกล้าถามว่าท่านสมณะข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าสมณะองค์นั้นมีฤทธิดเดชอย่างนั้นองค์นี้มีฤทธิดเดชอย่างนี้แต่ไม่เคยเห็นประจักษ์แก่ตนเองข้าพเจ้าขอถามท่านว่าฤทธิดเดชเป็นสิ่งมีจริงอยู่หรือดูก่อนอุบาสกพระบรมศาสดาของเราจัดแบ่ง ประเภทคําถามไว้าสาประเภทด้วยกันคือประเภทที่1ควรตอบทันทีประเภทที่สองควรย้อนถามแล้วจึงตอบประเภทที่สมไม่ควรตอบเลยปัญหาของท่านจัดอยู่ในประเภทที่สองคือควรย้อนถามก่อนจึงตอบเช่นั้นอาตมาขอย้อนถามท่านก่อนอันว่าตัวท่านนี้ก็มีตําแหน่งเป็นนายบ้านมีทรัพย์สมบัติมากมีค่าทาาบริวารมาก อาตมาอยากทราบว่าท่านมีข้าทาสบริวารอยู่ภายใต้ครอบครองกี่คนก็ประมาณหนึ่งรอคนละ่ะท่านสมณะมัณติยะตอบอย่างง ง, งๆงเพราะยังไม่ทราบว่าพิสุรูปนี้จะมาไม้ไหนกับตนในจํานวนข้าทาสบริวารร้อยคนนี้ท่านสามารถจะใช้คนใดคนหนึ่งให้กระทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่อ้าวได้สิท่านสมณะมัติยะตอบทันควัน อย่าว่าแต่จะใช้ทีละคนเลยแม้จะใช้พร้อมกันหมดทั้งร้อยคนเขาก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของข้าพเจ้าดีมากอุบาสกอาตมาอยากจะขอถามต่อไปอีกว่าถ้าอุบาสกชื่อกขาจายณะนี้ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับท่านมีร่างกายจิตใจเช่นเดียวกับท่านปรารถนาจะใช้ให้ท่านทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งของเขา ท่านจะปฏิบัติตามคําสั่งของเขาหรือไม่เขาจะ บ, บังอาจใช้ข้าพเจ้าได้อย่างไรละ่ะท่านสมณะถึงแม้เขาจะใช้ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเขาเป็นอันขาดดูก่อนอุบาสกอาตมาอยากทราบว่าอะไรเล่าเป็นเหตุทําความแตกต่างระหว่างท่านกับกัจจายนะทําไมท่านจึงใช้เขาได้แต่เขาใช้ท่านไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เขากับท่านก็เป็นคนเหมือนกัน มัณตยพราหมณ์นั่งก้มหน้านิ่งคล้ายกับไม่เข้าใจคำถามของพระเถระในขณะที่เขากำลังนิ่งอยู่นั่นเองพระเถระก็ได้ถือโอกาสตอบคำถามข้อแรกของเขาว่าดูก่อนอุบาสกด้วยตัวอย่างเพียงเท่านี้ท่านก็คงจะมองเห็นได้แล้วว่าฤทธิเดชเป็นของมีจริงคนบางคนมีฤทธิเดชมากอาจจะบังคับบัญชาคนได้เป็นจำนวนร้อยไว้ในอำนาจได้ บางคนก็มีฤทธเดชน้อยท่านพอจะเข้าใจแล้วหรื อ, อยังพอจะเข้าใจแล้วท่านสมณะแต่ข้าพเจ้าม่ได้หมายถึงฤทธเดชแบบนี้ข้าพเจ้าหมายถึงฤทธเดชปฏิหารที่สามารถดลบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นตามปรารถนาได้ทุกอย่างดูก่อนอุบาสกถ้าอย่างนั้นอาตมาจะขอยกตัวอย่างให้ฟังอีกตามีหน้าที่ในการดูรูป หูมีหน้าที่ในการฟังเสียงจมูกมีหน้าที่ในการดมกลิ่นสมมติว่าเราจะใช้ตาในการฟังเสียงใช้หูในการดูรูปจะได้หรือไม่อา้าวท่านไม่น่าจะถามเลยท่านสมณะมัณฑยะกล่าวด้วยท่าทังไม่พอใจนิดนิดตาก็จะต้องมองดูรูปหูก็ต้องฟังเสียงตามหน้าที่ของมันจะเอาตาไปฟังเสียงจะเอาหูไปดูรูปจะสําเร็จได้อย่างไร เช่นเดียวกันนั่นแหละอุบาสกคนเราย่อมมีฤทธิดเดชเป็นคนละทางนายบ้านอย่างท่านก็มีฤทธิดเดชอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็มีฤทธิดเดชไปอีกอย่างหนึ่งท่านสมณนะถ้าอย่างนั้นท่านก็ยอมรับว่าฤทธิดเดชปฏิหารเป็นสิ่งมีอยู่จริงข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านยืนยันข้อนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ปรงใจเชื่ออย่างสนิทเพราะข้าพเจ้าทราบดีว่าสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้พูดความจริง อาตมาขอยืนยันว่าฤทธเดชปาฏิหารเป็นสิ่งมีอยู่จริงคํายืนยันของพระเถระทําให้มันติยะพราหมผู้เก่งกําไรยิ้มออกมาได้ด้วยความหวังเขาได้ถามปัญหาเฉพาะหน้าทันทีว่าข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าท่านเป็นผู้มีฤทธเดชปาฏิหารจริงหรือไม่ท่านได้ทราบจากใครมาว่าอาตมามีฤทธเดชปาฏิหารก็จากกจัจจยณนะออสิ มันเถียตอบพลางหันไปมองกัจญยนะเขาเล่าให้ท่านฟังอย่างไรบ้างพระเถระถามเพื่อความแม่ใจเขาก็เล่าว่าท่านได้ช่วยชีวิตเขาไว้และยังได้บันดาลให้เขาได้วัวหนึ่งคู่เวียนหนึ่งเล่มและเสบียงอาหารเต็มเกวียนอีกด้วยข้อนั้นเป็นความจริงพระเถระตอบรับรองคำตอบของพระเถระทําให้มันเถียยิ้มด้วยความหวังมากขึ้น เขารีบกระเถิบเข้าไปใกล้พระเถระและพูดด้วยน้ำเสียงจ่ำใสว่าท่านสมณะนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้พบท่านผู้มีฤทธิดเดชในวันนี้ข้าพเจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านด้วยโปรดกรุณาสงสารข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านสมณะอาตมาย่อมสงสารผู้ที่ควรสงสารไม่สงสารผู้ที่ไม่ควรสงสารพระเถระพูดอย่างเป็นใน ทำให้มันติยาพราหมงชงักไปทันทีแต่แล้วเขาก็ถามขึ้นว่าท่านสงสารคนเช่นไรไม่สงสารคนเช่นไร ล, ละ่ะท่านสมณนะอาตมาสงสารผู้มีความทุกข์ไม่สงสารผู้ไม่มีความทุกข์แล้วอย่างข้าพเจ้านี่ควรจะได้รับความสงสารหรือไม่ท่านมีความสุขหรือความทุกข์เล่าข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างสาหาัสท่านสมณนะ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าควรจะได้รับความสงสารจากท่านอย่างเต็มที่เขาตอกด้วยความโลภท่านจะมีความทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นถึงในบ้านมีทรัพย์สมบัติและค่าทาสบริวารมากมายท่านสมณะข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพราะความวิตกกังวลนานาประการเป็นกังวลใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นี้จะสูญเสียไปด้วยภัยพิบัติต่ตางๆ ต้องเอาใจใส่ตรวจตาดูแลควบคุมรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาถึงระนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ต้องการข้าพเจ้าจะต้องตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารอย่างรีบร้อนแล้วก็ลงมือทํางานทั้งภายในบ้านและนอกบ้านจนกระทั่งบ่ายจึงได้กลับมารับประทานอาหารกลางวันปัญหาต่างๆที่ได้พบในตอนเช้ายัางตามมารบกวนจิตใจทําให้ต้องคิดอย่างหนักรับประทานอาหารกลางวันได้นิดหน่อยแล้ว ก็เริ่มทํางานต่อจนกระทั่งเย็นปัญหายุ่งยากที่ได้พบในตอนบ่ายก็ตามมารบควรจิตใจในตอนเย็นอีกรับประทานอาหารเย็นอย่างรีบร้อนแล้วก็นั่งทํางานงานในบ้านจนดึกดื่นจึงได้เข้านอนแน่นอนไม่ค่อยจะได้รับสนิท ด, ดีนักเพราะความเป็นห่วงกังวลท่านสมณะท่านก็ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นทุกข์มากเพียงใดดูมันว่าข้าพเจ้าจะกินได้น้อยนอนได้น้อยยิ่งกว่าบรรดา พวกถาดกรรมกรของข้าพเจ้าเสอีกข้าพเจ้ามีโรคปวดท้องและปวดศีรษะเป็นประจำรักษาอย่างไรก็ไม่หายขอท่านได้โปรดสงสารข้าพเจ้าบังเถิดเมื่อได้ฟังคำบรรยายของมัณติยะพรามจบลงพระเถระก็มองเห็นได้ทันทีว่าเขามีความทุกข์จริง การที่จะเทศนาสอนให้คนที่มีความทุกข์อยู่แล้วย่อมมีทางที่จะทําสําเร็จได้ง่ายขึ้นมัณติยพรามเริ่มเห็นทุกข์ในความมั่งมีของตนอยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเท่านั้นเองจึงยังคงหลงยึดมั่นอยู่ในทรัพย์อยู่พระเถระตัดสินใจที่จะทําให้เขาเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งต่อไปดูก่อนอุบาสกเท่าที่ได้ฟังท่านบรรยายมา ขตามาก็รู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลผู้น่าสงสารแต่ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่นั่งน่าสงสารยิ่งกว่าท่านเช่นพวกทาสกรรมกรของท่านเป็นต้นเพราะว่าท่านเป็นทุกข์เพราะความมีแม้จะทุกข์มากก็ยังมีปัจจัยต่างๆสำหรับบรรเทาทุกข์ท่านยังมีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองได้ยังมีทรัพย์เป็นเครื่องประกันความมั่นคงในอนาคตไม่มีวันจะอดตาย ส่วนบรรดาทาสกรรมกรของท่านเป็นทุกข์เพราะความไม่มีเขาอาศัยท่านเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อใดท่านแม่เขากินเขาก็มีหวังอดตายเพราะไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวเองเขาม่มีอิสระภาพที่จะจัดการกับตนได้ต้องคอยรับคำสั่งจากท่านต้องทำงานอาบเหงื่อตากน้ำตั้งแต่เช้าจดเย็นอยากจะหยุดพักผ่อนก็ทาไม่ได้อัตมาจึงเห็นว่า บรรดาพวกทาตุกรรมกรเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าท่านมัณติยพราหม์ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงว่าพระพิทษสุผู้มีฤทธิ์ ร, รูปนี้จะไม่สงสารตนและไม่ดนบันดาลทรัพย์ให้แก่ตนและเนื่องจากเขาเป็นคนมีความตั้งใจเด็ดเดียวตกลงจะเอาอะไรแล้วต้องเอาให้ได้เขาจึงกล่าวต่อไปว่าท่านสมณะข้าพเจ้ายังมีความทุกข์อยู่อีกอย่างหนึ่ง คือบรรดาพวกทาสกรรมกรของข้าพเจ้าไม่มีกล่าวคือข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้นมีศัตรูคอยจ้องจะทําร้ายอยู่ทุกขณะในบรรดาฐาสกรรมกรทั้งร้อยคนนั้นข้าพเจ้าไว้วางใจได้จริงๆอยู่เพียงสิบกว่าคนเท่านั้นนอกนั้นไว้วางใจไม่ได้เลยรู้สึกว่าเขาจะมีความโกรธแค้นจริงจังข้าพเจ้าอยู่ในใจจ้องคอยโอกาสที่จะเข็นฆ่าอยู่ทุกเมื่อบางคนก็หลบหนีไปอยู่ในป่า ข้าพเจ้าได้ทราบว่าเวลานี้ได้เกิดมีกองโจรขนาดใหญ่อยู่ในป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านของเรานักโจรเหล่านั้นกําลังวางแผนที่จะเข้าปล้นบ้านของข้าพเจ้าอยู่แล้วข่าวร้ายนี้ทําให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ใจยิ่งขึ้นท่านสมณนะนี่คือความทุกข์ใหญ่ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังเลยเพิ่งจะเปิดเผยให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกนี้เองท่านมันตยะ เมื่อได้ทราบความจริงข้อดีแล้วอัตมาก็เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความทุกข์อย่างแท้จริงควรจะได้รับความสงสารและการช่วยเหลือจากอัตมาอย่างแท้จริงเอาละอัตมาตกลงจะช่วยเหลือโดยใช้ฤทธิ์เดชของอัตมาเองมัตฑยพรามรีบก้มกราบแทบเท้าพระเถระด้วยความดีใจเขาเริ่มสร้างความหวังที่จะเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ในแว่นแคว้นแถบนั้น ่ผู้ดเดียวอยู่ในใจพอพระเถระฉันภัตหารเสร็จมัตทยพรามณ์ก็สั่งให้กจัจจายนะและทาตกรรมกรคนอื่นๆออกไปจากห้องหมดเพื่อว่าตนจะได้ขอสิ่งที่ต้องการจากพระเถระ อุบาสกท่านต้องการอะไรก็บอกอาตมามาเถอะพระเถระพูดขึ้นท่านสมณะข้าพเจ้าต้องการเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ปสิบโกดขอนิมนต์ท่านให้ทรัพย์80สิบโกดแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดมัตฑยะกล่าวด้วยเสียงสัน่นเพราะความตื่นเต้นดีใจพระเถระนั่งหลับตานิ่งแบบเข้าสมาธิอยู่เป็นเวลานานพอสมควรจึงลืมตาขึ้นแล้วกล่าวว่า ดูก่อนอุบาสกอาตมาตรวจดูอนาคตของท่านแล้วเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งว่าถ้ามีทรัพย์80โกดท่านจะมีความทุกข์มากกว่านี้หลายเท่าท่านจะมีความวิตกกังวลมากกว่านี้ท่านจะกินไม่ได้นอนไม่หลับท่านจะมีศัตรูมากกว่านี้ท่านจะมีใบหน้าหมบนมองมีร่างกายสู้ผอมโรคปวดศีรษะจะรบกวนท่านหนักยิ่งขึ้นแทบจะทําให้ท่านวิกฤตจริญทีเดียว และในที่สุดท่านจะตายด้วยความทุกข์ฮะถึงตายกี่หรือท่านสมณนะมันตยะถามหน้าตาตื่นตระหนกถึงตายอย่างแน่นอนพระเถระยืนยันอัตมาเห็นมาหลายหลายแล้ววิจารณญาณของอัตมาไม่เคยพลาดคําทํานายอันน่าหวาดกลัวของพระเถระทําให้มันติยะพราหมณ์นิ่งอึ้งอยู่เป็นเวลานานทีเดียวพระเถระถือเอาโอกาสนั้นพูดต่อไปว่า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 นี่คือสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงท่านจะเอาอย่างไนอุบาสกจะเอาทรัพย์แปดสิบกฎพร้อมด้วยมหันตทุกข์หรือจะเอาความสุขสบายเอาทั้งสองอย่างไม่ได้หรือท่านสมณะมัณติยะกล่าวด้วยความอาลัยอาวร์ในทรัพย์80ดสิบกฎ